อุรมะโยกันฟังเรื่องหน้าที่ของเราในละพวกเราก็มุ่งมั่นมุ่งหมายการปฏิบัติธรรมมันเป็นจุดสูงสุดของชีวิตเราถ้าเราไม่ รู้เรื่องชีวิตของเรามันก็พลาดโอกาสเดี๋ยวก็จะตายไปทำมาก็ตายทุกเวลานาทีเกิดแจเจ็บตายอยู่เราก็ให้ชัดเจนในเรื่องนี้ทังอื่นเอาไปทีหลังก่อนทางอื่นมันก็จริงแบบสมมุติ ไม่ลูกไม่มีเมียไม่ีบ้านไม่ีช่องไม่ทรัพย์สินสมบัติมีทรัพย์สินสะดงคารมันเป็นสมมุติบัญญัติแต่ว่าไม่เป็นปรมาักรปรมาจักรปรมัาจักรปรมาจักสัจจะก็คือความไม่ทุกข์เป็นชีวิตที่มีใชยชนะตัวเอง วานได้พูดเรื่องการบำเพ็ญทางกิตเราสติดูกิตเรากิต ด, ดูกิตเอา้าไม่รู้ว่าพูดอย่างไรความรู้สึกมันก็คือเรื่องกิตนั่นแหละออกไปออกมานี่แต่ตัวจิตตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้มันเรียกว่าบำเพ็ญทางกิต ทอมที่จะลูกพอมันลูกมีมานานหลายวันหลายเดือนแล้วเราฝึกมาแล้วอยากเริ่มต้นการจับนิมดตเป็นที่อาศัยมากับเด็กหัดนั่งหัดยืนหัดเดินต้องมีทีาศัยพอเดินเป็นแล้วมันก็ต้องไม่เาศสัยมันก็เดินไปลุกขึ้นนั่งลงเอง เบื้องต้นหรืการสร้างจังหวะเอากลายเป็นนิมิตแต่เรื่องของกิจไม่ยังไม่ต้องทําใหม่ๆพุ่งไปสู่ที่กายให้มันโูดเรื่องกายให้มันเป็นระเบียบในรูปแบบอริพุท์ที่เราสร้างขึ้นมีเจตนาใส่ลงไปช่วยให้มีสติไปกับการเคลื่อนไหวตอมันโูดมันพินมัน ได้หลักมันมีหลักจนเห็นเป็นโลกเป็นนามเรื่องของโูกนาม เ, าเรื่องของนามอืจากความรู้สึกตัวกลายเป็นภาวะที่เห็นเป็นปัญญาเราไปรู้เรื่องโูกก็ทำเรื่องนามมาทำโลกทำนามทำโลกมันทําดีนามมันทําดีโูกมันทําชั่วนามมันทําชั่วทำ ทำด้วยที่เป็นลูกที่เห็นได้สัมผัสได้เป็นสุกเป็นทุกข์ได้ทำที่เป็นน้ำสัมผัสไม่ได้คนอื่นเห็นไม่ได้มันเกิดขึ้นทางกิตมันก็มีผลเป็นบาปเป็นกรรมเท่ากันหรือว่าทำหรือทำกรรมกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีทางกายกรรมดีทางวาจากรรมดีทางความคิด ก็มีผลเท่ากันเป็นบาปเหมือนกันบาปทั้งสองทางทำดีทางกายทำดีทางวาจาทำดีทางกิจแล้วก็เป็นบุญเหมือนกันบุญทั้งสองฝ่ายโลกทำนามทำรรเห็นโูกทุกเห็นนามทุกทุกของโูกทุกของนามโลกของโูกโลกของนาม ไม่มากทุกบางอย่างกําหนดลูกโดยการลูกทุกบางอย่างกําหนดลูกโดยการวันเทาทุกบางอย่างกําหนดลูกโดยการละนี่เป็นทุกของลูกทุกของนามตรงละอย่างเดียวเปลี่ยนเป็นไม่ทุกมีสติเปลี่ยนโลกของลูกโลกของนาม โลกของโลกมีมากมายโลกของนามก็มีมากเหมืนกิเลสตั้งพันห้าตันหาทั้งร้อยแปดแต่โลกของโลกนี่ก็มีมากส่องเออันอื่นมาช่วยความหนาวก็อาบอาบห่มผ้าเปลียงไปความร้อนก็อาบนา้ำพัดลมมาพัด ควมหิวก็ต้องกินข้าวควมโพดความมั่วก็ต้องตามแก้ไขตามอาการแต่เรื่องของนามเนี่อย่างเดียวก็คือตัวลูกตัวละจะว่าก็สังขารเปลี่ยนเป็นนสังขารสวามทุกข์เปลี่ย น, ป น, นเป็น ไ, ปไม่ทุกข์ความหลงเปลี่ยนไม่หลงแต่ก็คือตัวลูกอย่างเดียวในโลกของลูกโลกของนาม แค่ให้ถูกให้มันชัดเจนอย่าให้ตะเปะตะปะถ้าโกรธต้องไปดาาไป่าเขาไปฆ่าเขามันไม่ถอยไม่ถูกล้วโกรธก็เปลี่ยนไม่โกรธไม่ต้องไปฆ่าไปดูไปด่าเขาไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปโวยเป็นเวทนาโวยเป็นพิเรนตันหารักใช่มันไม่ใช่เปลี่ยน เรื่องของโลกของนามเปลี่ยนทันทีนี่เราก็มาถึงรู้เห็นพบเห็นมาแล้วเราปฏิบัติก็ต้องเห็นอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้จนมาถึงการบําเพ็ญทางกิจมีสติดู ก, กายครึ่งหนึ่งมีสตกกิดูกิจอย่างที่พูดเมื่อวานนี้อทั้งที่เราดู ก, กายแล้วเราเป็นเรื่องของกิจ จริงจังกับความจริงจังกับจิตแต่ก่อนมันจริงจังกับกายมันเคลื่อนมันไหวเจตะนาะเอาอย่างเดียวช้าช้าไ ว, ไว่ายว่ายางแต่แับ น, นี้อันช้าช้าไว่ายเพื่อให้มันรู้ทันรู้ทันกับกายที่เคลื่อนไหวแต่แบบนี้มาโดย ก, กิตควาเป็นทางกิตเนี่เอากริงเอาจริงกับจิต เวลามันคิดเนี่ยก็อา่าจะเปรียบก็บลู้ลูไวไว้ไปไปมันก็ยงจับปั๊บไล่ปั๊บยงจับปับไล่ปับป๊บ ไ, บไล่ยงอยู่ตลอดเวลามันก็เห็นยงยงที่ถูกไล่บ่อยบ่อ <c> ย <oughs> จนชำนาญในการไล่ลงรวปับทันที อย่ารอร่วมอ่อนรวยหย่อนไปกับความคิดหย่อนไปกับความสุขความทุกข์ของความคิดอย่าไปหย่อนความคิดนี่หมายถึงตัวลักคิดไม่ใช่ตัวตั้งใจคิดไม่ได้ตั้งใจคิดเลยหรอกเราปรลอบความเพียพรพโยคาไวาจอนพูปลอบความเพียรไม่ได้มานั่งคิดนอนคิดอะไ ร, รามาเจริญสติแล้วก็รู้ เวลานั่นก็ไม่ถูกถ้าจะมาหาเรื่องคิดในเวลานั่นไม่ไม่ถูกต้องเรามาเจริญสติเรามันคิดกันมากระลุกรับเวลานี้เรามาสร้างตัวรู้ไม่เกี่ยวกับความคิดแต่ที่เศษเวยก่อนหรือมันจะมีอะไรต้องคิดก็ไว้ก่อนเราเราก็ลองกล่าวลบความเพียรเราก็ลองภาวนา เรากำลังขยันลูกเราก็พอไม่คิดก็มากะอย่าอารุ่มอร่วยอย่ายอดย่อนไปกับความคิดเหมือนกับถ้ายอดย่อนเกกับความคิดเดี๋ยวกิจมันจะดื้อ น, นะเราจะปล่อยความคิดไปเรื่อยมันก็จะสุขสนไม่มีตัวลูก เมื่อเราสอนมันบ่อยๆมันก็จะจะสอนง่ายถ้าเราไม่สอนมันมันก็ด้านๆได้พอมัน่คิดกับลูก ป, ปั๊บมันกับพวกกับอาจารย์เมื่อวานนี่เราไม่คิดปั๊บก็รลูก ป, ปั๊บลูก ป, ปั๊บใส่ใจตรงนี้ใส่ใจตรงนี้เพราะเราความเพียอยู่แล้วเราดูอยู่แล้วเรามีหลักอยู่แล้ว มันนี่เป็นเป็นสิ่งที่ใส่ใจมากมากเท่ากับเท่ากับการใส่ใจการเจตนาสร้างจัจงหวันั่นแหละเพราะการมาเป็นทางกิจมันมันอยู่ตรงนั้นแหละทางกิปก็อยู่ที่กิปมันเกิดที่เดียวกันนั่นแหละเร้วลูกมันก็อยู่ที่กิปมันอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละมันก็อ่ไวเดียวจะเห็นจริงจะเห็นชัดเจนก็ตรงนั้นแหละ หรือจะชนะก็จุดนั่นล่ละจะแพ้ก็ตรงนั่นแหละเราใส่ใจลองดูไปเพ่งนะแตด่ดูเนไม่ใช่เพ่งนะถ้าถ้าหลงก็กลายเป็นความไปเพ่งไปเพ่งไปจ้องก็เครียดก็หนักไปเลยทำสบายสบายความสบายความสะดวกนี่ต้องคู่กันไป แล้วก็อย่าไปอยากลูกอยากเห็นอย่าไปกิ้งจังจนจับผิดจับถูกตัวเองจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้อย่าไปอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันพิษมันจะเคโกรเลสะไล่ทำสบายสบายดูสบายสบายมไม่หมดเทีเ่ยวหมดแรงอะไรหรอกทำถ้าทำถูกมันมันมีแรงถ่วงพอดีพอดี สวามรู้ึกตัวแต่เราทําถู ก, ก็ไม่แรงถ่วงไม่สิ้นเปลืองพลังงานถ้าทำไม่โถกมันหมสิ้นเปลืองพลังงานมันโหมมันอยากรู้ระวังบางทีมันสำรวมบาทีมันเข้าไปเพิ่งหลงไม่ได้หลงไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หลงก็ไม่เป็นไรเอาไม่หวาเลยจะหลงก็เอาเลยแต่เราจะหน้าที่ดูมันจะอะไรมําเกิดขึ้นเราจะรู้ท่านั้นละอ่า ถามันมาอะไรที่มันจะมาทำสบายสบายใจก็สบายสบายคลี่คลายเรียบรให้มันสบายสการ น, นัง่งหรือการเดินหรือการ น, นอนก็ดีอันนี้บทไหนไหมไม่เกี่ยวถัาตัวลู่นะฮะมาลู่ถึงแล้วมันก็จะเห็นความคิดชัดเจน มันก็คนเป้าประตูอันที่จะออกมันก็ออกประตูมันจะเข้ามามันก็เข้าประตูแต่เราพ่อดูอยู่แล้วถ้าเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆลูกบ่อยๆลูกบ่อยๆอ่ามันก็จะจำได้ชํนานาญเห็นอย่างเก่าเห็นอย่างเก่าเห็นอย่างเก่าคือคิดอย่างเก่าเห็นอย่างเก่าความคิดก็คือคนคิดตัวลูกคือตัวลูก ก็ไม่มากอกว่มีเท่านี้แหละแต่อย่าไปเอาฉกอย่าไปเอาทุกข์อย่าไปเอาผิดอยไปเอาถูกในกตัวรูดตัวหลงตัวรูดตัวหลงเท่านี้แหะถ้าตัวหลง ก, ก็เป็นสังขารถ้าตัวรูด ก, ก็เป็นวิสังขารรูดตัดวิสังขารคือตัดคือเปลี่ยนสังขารคือปรุงไปเป็นชาติชราบุรณะโสกับปุริเทวทุกข เกิดดับเกิดดับเรจะให้มันเกิดไกลจนเกินไปจนชรามรณะจนเราจะมันเอาเอาไปกินจนอิ่มจนคลายออกมาจึงค่อยโลภก็ป่อยมันก็ะยง ม, มันกินเลือดดูดเลือดเราปล่อยมันกินไปจนตัวแดงโตโตพอมันออกไปแล้วจึงรูดจัก ก็เป็นต่อมันก็คันถ้ามันมีเชื่อมันก็ติดเชื่อแล้วบวามคิดบางทีถ้าปล่อยไม่คิดมากก็มีเชื่อนะคิดไปทางไหนเป็นเชื่อไปในทางนั่นจนเกิดจลิตลาคะจลิ ด, ลดโทสะจะลิตโมหจะจลิตมาต้องใส่ใจ <c oughs> ดูใส่ใจดูใส่ใจโลก มันก็ให้ยาหรอกพอลูกเสรมันก็หยุดท่านั้นะแต่เป็นความคิดอะไรก็ตามมันเกิดเกิดเกิดคิดเนี่ยตัวคิดเนี่ยตัวเดียวเนี่ยจะไม่มีอะไรหรอกังไม่เป็นสุขก็ไม่เป็นทุกข์ตัวคิดเนี่ยเนี่ยเราก็เห็นน่นแหละของจริงมันมีอยู่มันอยู่ในเรานี่ยละบางทีมันไม่คิดก็ไม่เป็นไรดีไม่คิดก็ไม่เกี่ยวกับมัน ก็เล่นไปวมนก็นเราหัดตัวหัดควยเทียมหดเทียมเกวียนเวลามันไงดิ่น <c oughs> ไม่ซุกซนไม่ถล่มถลี่แล้วก็หนังไปสบายขับไปสบายกระดิกเชือกไปสบายแต่มันเชื่องแล้วไม่ต้องลงไม่เลียวถ้ามันเชื่องแล้ว อ, งง อ, อวัวเทียมเกวียนเออมาก เทียมอ่านใส่ใจบังเหียนเราต้องการอยากให้มันฆ่าเราก็แสดงกิย า, าถ้านั่งท่ากดิกขาต้องการให้มันไวัก็ท่านั่งท่ากดิกขาทีบมันแรงๆบอกมันด้วยบางทีมัน วัดือ้อจะต้องยกไม่เลียวมันจึงไปดื้อไปก็แล้วแ่ไม่เลียวถูกหลังมันก็ยังไม่ไปเอาจึไม่เลียวถูกหลังเลือดไหลออกเห็นเลือดเตียงแล้วมันจงค่อยไปนี่ว่ามันดือ้อกิดของเราก็เหมือนกันจนเจ็บปวดเราจึงเข็ดหลับแบบนี้การมาเป็นทางกิจก็คือลูดวงต้นเทอะนะ สอนให้จิตมันเชื่องสอนให้จิตมันอ่าไม่ดัดเราเปนคิดกับรูปปั๊บเรานคิดกับรูปปั๊บรูปปั๊บรูปปั๊บรูปปับหงปู่เทียมว่ารูปตัดรูปตัดรูปตัดรูปตัดมันคลอดออกมาก็ตัดไปมันคลอดออกมาก็ตัดมันผลักออกมาก็ตัดถ้าเราใส่ใจดีๆนะจะจะมีฝีมือตรงนี้ละ นี่คือความเพ็ิทางกิตมันจะเป็นอย่างนั่นละ่ะการควาเพลิทางกิตไม่ใช่เป็นนั่งสงบนะ ก, กิตไม่มีตัวรูดตัวหลงก็ไม่ได้ควาเพลิไม่มีประสบการณ์ต่อให้มันมันจะหล้หลงเลยเออกมาลกแล้วก็รู้อยู่เราดูอยู่เราดูอยู่แล้ ว, ลวผมหยงองยังสอดแทรกมายังโผมาบ๊อบบ๊อบแบมๆรู้เอาไว้รู้เอาไว้รู้เอาไว้ดูเอาไว้ดูเ อ, เอาไว้โอ้สนุกดี เอาไปมามันตัวลูกมันเด่นมากขึ้นมันหลงที่นั่นก็เด่นที่นั่นหลงที่นั่นก็เด่นที่นั่นอืม <c oughs> ก็มีฝีมือมันกันตัวลูกนะต้องรู้จักตัวนะนี่ลักษณะลักษณะอผ่ า, าตัดถ้าจะเรียกว่าผ่าตัดชีวิต ผิดจะถูกก็ตรงนี่แหละเราจึงใส่ใจให้ความเพนทางกิจใส่ใจให้ทีทีจะเป็นศีลก็เป็นศีลทีทีเปนศีลขันเป็นสมาธิขันเป็นปัญญาที่ขันศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญาอันยิ่งแต่เป็นศีลก็ศีลตรงนี้แหละศีลตัดนะศีลตรงนี้ศีลเพื่อ ย่อยเวิดทะลุทนล่วงเป็นสินที่เข้าสู่มอกสู่ผลไม่ใช่สินลูกคำไม่ใช่สินหลับจางทำท่าทำทางไม่กินเนื้อไม่สวมรองเท้าไม่อะไรต่างๆนั่นแต่ยังห่างทำไมทำไมใช่มาดูผมเป็นทงกิจนยเป็นภายนอกอยู่ เรียกว่าหีนาธรรมหีนาธรรมมาแต่ว่าเล่นตัวนี้าอัจฉตาธรรมเป็นธรรมที่เล่นงานกันมันครู้จุกตัวเนี่ยอัจฉ ร, ร, มมริธรรมมาปัาธรรมมาหีนาธรรมมาปัญญาธรรมมาอัจฉริธรรมมาลูไ ว, ไวล้ไว้ลู่ไว้ไว้ลู่ไว้ไว้ให้มันชำนาน ตอมนเป็นดังกิจนะแล้วเราจะทำยังไงจึงจะเข้าถึงจุดนี้ก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างมีสินสินก็คือนี่แหละตัว ท, ทีนี่แหละตัวสินจะห่างเกินไปเล่นไม่สิ่งไหนที่เชิญให้หลงก็โล้ไว้หาโอกาสหาสิ่งแวดล้อม ผมก็ไม่ค่อยไม่ไปได้ไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ได้ไปให้อารมณ์แบบที่สอบอารมณ์ผมว่าไม่จำเป็นหรอกถ้าเราทำแบบนี้นะถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามแต่ว่าหน้าที่ก็ยังห่างอยู่ผมก็คิดคิดคิดอยู่ ว่าเอการเดินสอบอารมณ์มังกอวัดบรียนวัดเรามันก็ไกลๆถ้าไปเห็นแบบถ้าทำศาลาภาวนาในที่นั่งดีๆพวกเรานั่งด้วยกันมีห้องน้ำมีกันโยงได้ น้ามีน้ำร่อนพักผ่อนดื่มน้ำร่อนน้ำบุญ น, น้ำชาทำป้ายนั่งด้วยกันถ้ามีอะไรก็ถามกันทุกวันทุกวันถ้าเยุมากขึ้นมากขึ้นผมก็ว่าบางคนที่เป็นอย่างนั้นตาลาก็เป็นที่กันยุ่ง แล้วก็หงน้ำห้องส้วมเรื่องกันปฏิบัติกัรจริงๆ่ย จ, จริงเลยตรงนี้แหละแต่ว่าอันนั้นมัมในยังไกลเราอยู่แต่ว่าตัวจริงคือตัวรู้นี่แหละมัามเป็นทางคิดนี่แหละ <c oughs> สุภิจาตัสลูก็คือบงเพ็ญทางกิดทำาถกก็คืนเดียวท่านเองแต่ก่อนไปหลงทรมานร่นางกายจะจนผองจนเกือบจะตายไปเล่นกับลูกกับกายเอาผิดเอาถูกกับกายกับโูปเอาโูปแดบ พอมเอาคิดเอาถูกกับกิตเนี่ยแต่ ว, ว่าบําเพนทางกิตเนี่ยมันก็เข้าเป้าเลยกับตัดสโลก็เรื่องของกิจเป็นพระก็เรื่องของกิจเป็นอะไรก็ตามก็เรื่องของกิจทั้งนั้นเป็นเป็ดเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นพราะอินเพราะผมเป็นเทวดาเรื่องของกิจจนพระเจ้าได้รวมลงจนมั่นใจว่ามันคือเรื่องเดียวไม่ใช่ชาติชั่นวันนะลัทธินิกายเพศไว้คือความภาวะที่การบาเพ็ญทางกิจเนี่ยทุกคนก็มีกิจทุกคนก็มี เราก็ให้ภูมิใจเถิดให้เรามั่นใจตัวเองให้มากมันก็อยู่นี่แหละใกล้ตัวเราที่สุดความหลงกับความรู้ไม่ได้ไปหาที่ไหนไม่ต้องเสียเวลาเพียงแม้แต่เสี้ยววินาทีเอาความโูภมาแก้ความหลงไม่ต้องนั่งรถไปหาหมอที่ไหน เราปวดท้องต้องนั่งรถไปหาหมอไปซื้อยาจับเงินจับทองไวปเราก็ยังทําได้รักษากันได้แต่การบําเพ็ญทางกิตเนี่ยมันสะดวกกว่าทุกอย่างเพามันหลงทีไรก็ลูบเอาไว้ลูบเอาไว้ตัวลูก็มีอยู่กั็ลองหาเอาไว้หาเอาไว้ตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้ประคองเอาไว้ทําให้มากมากเอาไว้ มันมีพลังอืให้ก็พูดทุกันฟังการพูดเนี่ยไม่ใช่จำมามันมันได้ทำด้วยฝีมือทำมาอย่างนี้แล้วก็ทุกคนก็ทำได้ด้วยก็จบเท่านี้แหละมาสาพระพร้อมกัน สมัสสะโมตุมาะโตังะนังอิวตวกัตอะตโมมมอะิโนะโตสาวสัโฆ